นั่งเก้าอี้ไม่อยู่บนเก้าอี้มันไปอยู่กองกับพื้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้ น, นอันนั้นเป็นผลของศีลไม่ดีทั้งนั้นแหละเราะนั้นแต่ว่าทุศีลจริงๆอ่ะตัวตัวทุศีลเนี่ยนำเกิดในอบายเนี่ยนะเจตนาที่เป็นเหตุมีศีลเจตนาอันนั้นนําเกิดในสุขติเนี่ยนะทีนี้นถ้าฟังเรื่องฌานดีเห็นโทษภัยของนิวรณ์ทั้งหลายก็อบรมฌานในาจิตเนี่ยนะผู้ที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะ หลักการในพระาศาสนานี้คือการเจริญวิปัสนาเพื่อตรัสรู้อริยสัจใช่ไหมศีลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทีนี้สําหรับบางคนเนี่ยเขาเห็นโทษของนิวรนมากพิจารณานะเออขันเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดั ง, ดงลูกศรเอ๊ะเพื่อนคนนั้นเขาไปหรื อ, อยังนะนเีเรานัดกันไปทุระที่โน่นเนี่ยนิวรนก็เข้ามาแล้วไงการมาฉันท่นิิวรนบ้างเอ๊คนนั้นทําไมเขาพูดกับเราอย่างนั้นเนี่ยนะโทสะประเซกบ้างอะไรเงี้ยนะเขาเห็นโทษของนิวรนมาก เห็นโทษของอาคุศลวิตตกเนี่ยทายังไงเขาเข้ามาอบรมส ม, มะถะขึ้นเพราะส ม, มะถะก็คือการสงบนิวรณ์ทั้งหลายใช่ไหมถ้ายิ่งสงบนิวรณ์ได้มากอย่างเช่นผู้ที่บรรลุ ป, ปถมฌานก็คือสังัดจากกามสังัาจจากอากุสุลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานที่ประกอบไปด้วยปีติสุขที่เกิดจากวิเวกเนี่ยนะนก็เห็นโทษของนิวรณ์ทีนี้ อาศัยพื้นฐานของการเจริญวิปัสสนากับสมถะควบคู่กันไปถ้าไม่ได้บรรลุมรรคผลถ้าได้ฌานน่ะก็พรหมโลกก็สุขติพ่อบอีกเนี่ยนะเกิดเป็นพรหมเกิดในพรหมโลกกับมนุษย์กับเทวโลกไหนดีกันโอยพรหมนิวรไม่กลุ่มรุมเลยนะงานเลี้ยงก็ไม่ต้องมีเพราะพรหมไม่กินเนี่ยนะเหมือนเทวดาโอ้งานเลี้ยงประจำเลยนะมนุษย์ก็งานเลี้ยงประจำเลยเดี๋ยวก็วันเกิดมั่งเดี๋ยวก็วันโน่นวันนี้กินอยู่นั่นแหละ ไปกินอะไรไหมไปบริโภคมหาพูดนัดเลี้ยงประชมบริโภคมหาพูดเนี่ยนะอร่อยไหมอร่อยก็ถ้าอร่อยก็ไม่พ้นมหาพูดมหาพูดนี่แปลว่าอะไรกบแปลว่ามหาบริหารมหาวิการแล้วก็มหาผีเนี่ยนะมหามหานําหน้าทั้งนั้นเลยนะมหาพูดคือมหาผีเป็นยังไงก็คือมันหลอกเก่งนะไม่มีอะไรจะหลอกเก่งเข้ามหาพูดที่เราลืมตาเห็นทั้งหมดคือมหาพูดทั้งนั้นเลย เพราะที่อสีเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเป็นรูปที่อาศัยนะต้องอาศัยมหาพูทมหาพูทมันมีสีเขียวไหมล่ะเออไม่มีแต่มันหลอกเราได้เห็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยที่เราได้ยินก็คือได้ยินมหาพูทอีกรู้กลิ่นก็รู้มหาพูทรู้รสก็รู้มหาพูทเนี่ยนะเจริญเติบโตมาก็บำรุงเลี้ยงดูมหาพูทเพราะฉะนั้นก็บอกว่าโหหลอกเก่งมากมนะหลอกว่าตอนแรกก็ดูดีหลอกตอนหลังเอาไม่ไหวแล้ว แล้วก็มหาพูดบอกมหาวิกาลมหาวิกาลก็แปลเป็นภาษาไทยไทยเรามหาวินาศนนี้ก็อะไรที่มันแตกทําลายในที่สุดที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้คือมหาพูดใช่ไหมน้ำท่วมตายเท่าไหร่อยังไงเนี่ไฟไหม้ตายเท่าไหร่แผ่นดินไหวตายเท่าไหร่ลมพัดตายไปเท่าไหร่ไงเนีนเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เสียหายในโลกนี้ก็คือมหาพูดเขาเรียกว่ามหาวิกาลก็คือมหาวินาศมหาพินาศนั่นแหละ แล้วก็อีกในหนึ่งก็คือมหาบริหารเนี่ยนะโอ้บริหารไปจะใครมีมหาพูดเยอะๆบริหารมากไปไงนะีเอาลูกน้องสัก50สิบคนไหแล้วสักสองรอยคนเนี่ยนะสมมติท่าจารย์มันติมีลูกศิษย์สัก500ร้อยเนี่ยจะบริหารยังไงนะมหาบริหารเลยแหละไม่ต้องห่วงอน่ะันอันนี้ก็เป็นผลของกุศลนะถ้าผู้ที่ประพฤติกุศลกุศลทั้งหลายก็อย่างที่ ก่อนกอนก็กล่าวไปใช่ไหมว่ารำโมหเวรคติธรรมจารีนะว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมแล้วก็มาประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างน้อยที่สุดก็แปลมาจากคำว่าทุกคติก็คืออบายสีเนี่ยนะโลกที่ชั่วถามว่าทำไมจึงเรียกว่าเข้าชั่วที่เข้าชั่วเพราะเขาไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้เนี่ยนะก็เลยไม่สามารถจะออกจากวัตฏะได้เพราะฉะนั้น แค่เรียกว่าถ้าไปสู่อบายแลยนะโอกาสที่จะบำเพ็ญกุศลอย่างยาก น, นนะัก็ยังยากเคยเห็นหมู่เดรฉ า, านเขาจัดนิทัศการให้ทานนี่ไหมมีมาร่วมการรักษาศีลในีเพราะฉะนั้นก็บอกาทานศีลยังยากจะกล่าวปยายยถึงการฟังธรรมนะก็มีแต่เข่าแข่งกันแค่นั้นเอง นี่มาดูว่าผลผลของเทศนาเนี่ยนะแบ่งออกเป็นสองนะสรุปว่าผลคือสติปัญญากุศลเจริญยิ่งขึ้นอย่างที่สองผลคือการเกิดในภพที่ดีผลในเกิดที่ดีก็มั่งมีด้วยโภคะเนี่ยนะทีนี้ผลเหล่านั้นจะได้ได้ยังไงจะบรรลุผลอย่างที่กล่าวไปได้โดยข้อปฏิบัติใดอันนั้นเรียกว่าอุบายอุบายที่จะทำให้ได้ผลเนี่ยนะซึ่งอัตกถาท่านบอกว่า พูดถึงจักสีเนี่ยนะจักสีประการจักสีคืออะไรบ้างอยู่ในปฏิรูปประเทศสองคบสัตว์บุรุษสามฟังธรรมสี่โยนิโสมนัสิการเนี่ยนะเอ่อพวกนี้เป็นเป็นเหตุที่เป็นปัจจัยให้บุญเนี่ยจเจริญขึ้นอะนั้นคำว่าอุบายในที่นี้เน้นไปที่เอ่อข้อปฏิบัติที่จะทำให้ได้ผลอย่างที่ต้องการไปแล้วนั้นอุบายก็คือ หมายถึงข้อปฏิบัติที่เป็นเบื้องต้นของอริยมรรคทั้งหมดว่าอริยมรรคเนี่ยเป็นโลกุตระธรถรมใช่ไหมเป็นกุศลธรรมชั้นสูงกุศลธรถรมชั้นสูงเนี่ยเกิดได้ยังไงเนี่ยกุศลธรถรมชั้นสูงเกิดได้ยังไงก็อาศัยข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคอันนั้นแหละเป็นอุบายเนี่ยนะที่ที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างที่เราพ้นแห่งเทศนาเนี่ยฟังแล้วเข้าใจ แต่ว่าอุบายก็คือในแง่ว่าคนนั้นน่ะเจริญได้คนที่ฟังทำเข้าใจกับผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจด้วยปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆด้วยเหมือนกันไ้ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังเรื่องศีลจนเข้าใจกับผู้ที่ฟังเรื่องศีลเข้าใจและรักษาศีลก็ก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอุบายก็คือผู้ที่ตั้งแต่รักษาศีลเป็นต้นข้อปฏิบัติที่เป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคคือศีลเนี่ยนะคือศีล อันนี้นี่สำหรับคนที่ฟังรู้เรื่องมาเป็นอย่างดีแล้วนะถ้าจะต้องปฏิบัติเองเนี่ยทายังไงเริ่มตั้งแต่ศีลพอมีศีลก็ทํำยังไงต่อไปกิจที่ควรทําให้ยิ่งสําหรับผู้มีศีลก็มีอินทรีย์สังวรมีโภชเนมตันยุตามีชาคริยานุโยกเนี่ยนะนะแล้วยังไงต่อไปก็เจริญสัมปชัญญะสีในฐานะเจดประการเนี่ยนะนะแล้วก็สังัดจากนิวรนเป็นต้นเนี่ยนะทำยังไงที่จะกําจัดนิวรนได้นะเมื่อนิวร ไม่กลุ่มรวมก็เอามาพิจารณาอริยสัจทั้งหลายจริงๆอริยสัจคืออะไรก็คือเอาเรื่องชีวิตมาคิดอะ่ะชีวิตนี่มาอย่างไงไปอย่างไงมาทําไมไปไหนไปแล้วมันดียังไงเนี่ยนะก็เนะี่ยคำถามลักษณะเนี่ยชีวิตมันมีองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันสัมพันธ์กันยังไงอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเกิดถ้าจกมันเกิดอย่างนี้จะดับดับมันได้ยังไงเนี่ยนะไอความเข้าใจทั้งมวลเหล่านี้เป็นเป็นเบื้องต้นของการเจริญ วิปัสนาผันผู้ที่เจริญวิปัสนาก็คือผู้ที่เจริญหรือพิจารณาเพื่อต้องการออกจากจากกองทุกขนั่นเองเนั่นแหละแต่ทั่วๆไปคําว่าวิปัสนาเน้นพิจารณาเน้นคําผู้ที่พิจารณาทุกขสัตเป็นหลักเรียกว่าการเจริญวิปัสนาการเจริญวิปัสนาคืออะไรคือการพิจารณาทุกขสัตถ์ถ้าพิจารณาถูกเป็นยังไงบอกละสมุทัยถ้าละสมุทัยจริงเป็นยังไงบอกต้องบรรลุนิโรธอ่านะ ไอข้อปฏิบัติที่กล่าวไปแล้วเรียกว่ามรรคหรือวิปัสสนานั่นเองอันเบื้องต้นของอริยมรรคก็คือศีลสมมาทิและวิปัสสนาทีนี้มันก็แบ่งออกเป็นว่าบางพวกมีสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังบางพวกก็วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังบางพวกสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังบางพวกก็เจริญควบคู่กันไปแต่ถ้าเป็นขณะอริยมรรคสมถะวิปัสสนาต้อง ต้องคู่กันเนี่ยนะอันนี้พูดถึงข้อปฏิบัตทิที่จะทำให้บรรลุอริยสัจเนี่ยนะทีนี้ถ้าเป็นข้อปฏิบัติที่จะทําให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีละ่ะเนี่ยนะก็ตามอะไรจุ ล, กร ร, ร是是 ก, ก, ลกรรมวิพังกสูตรใช่ไหมก็ไปศึกษาเอาตามจุลกรรมวิพังกรสูตรอันนั้นแหละเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเนี่ยนะส่วน อ, อนัตตอนัต อ, อันนี้ก็คือเป็นคําสั่งเนี่ยนะ คำสั่งในพระไตรปิฎกเนี่ยมีมากเนี่ยนะอ่านไปเถอะในเถราคาถาเถรีคถ า, าเนี่ยนะบอกว่าท่านจงภาพเพียรในพระพุทธศาสนาเป็นต้นเนี่ยนะก็คือคำพูดที่บอกว่านั่นโคลนไม้นั่นเรือนว่างนะจงเพียรจงเพ่งเนี่ยนะเธออย่าได้เสียใจในภายหลังนะคำพูดประเภทนี้เป็นอานัตทั้งนั้นเลยเนี่ยนะซึ่งอ่านเจอบ่อยมากในพระไตรปิฎกนะถ้าว่าโดยย่อๆก็คือจงให้ทานจงรักษาศีลจง เจริญภาวนานั่นเองนะนะถ้าก็เป็นคำย่อๆการวิจัยทั้ง11เอเอาหลัก11ประการเนี่ยนะไปวิจัยพระไตรปิฎกไปวิจัยพยัญชนะเรียกว่าวิจยะหาระวิจัยนั่นเองการวิจัยอันนี้เป็นวิจัยพยัญชนะจะต่างจากธรรมวิจัยในธรรมวิจยสัมโพชงต่างกันนะหลักการวิจัยอันนี้ไปวิจัยพยัญชนะไปวิจัยพระไตรปิฎก แต่ธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นการวิจัยอริยสัจเนี่ยนะวิจัยเพื่อรู้แจ้งอริยสัจวิจยะหาระเป็นสุตะมยะปัญญาส่วนธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นภาวนามยะปัญญาเนี่ยนะเพราะนั้นก็สุตะเป็นเหตุเป็นเหตุใกล้ของภาวนามยะปัญญานั่นเองอันนี้ทั้งหมดที่กล่าวไปนะีหัวข้ออย่างเดียวนะก็เท่าที่กล่าวไปก็หวังว่าคงจะจําได้นะสิบเอหัวข้อ 1. วิจัยบทวิจัยคำอ่ะวิจัยคำคำไปวิจัยคำถามคำตอบสามลยใช่ไหมสีคำหน้าคำหลัง 5. อนุขีติแล้วก็จำเทศนาหาระอีก 6. ห, หัวข้อก็ได้แล้วนี่ก็มาขึ้นวิพังเลยนะมาขึ้นคำอธิบายแบบกว้างขวางพิสดารวิจัยหาระวิพังโดยการยก พระสูตรขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการวิจัยให้ดูว่ามีการวิจัยยังไงการวิจัยบทเนะี่ยในข้อสิบเอดหน้าสิบหกเลยนะหนังสือนี่ต้องอ่านกลับไปกลับมาอยู่เหมือนกันก็บบางคนเนี่ยโหรีบอ่านหนังสือให้จบนะอานนนน่านหน้าหนึ่งอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปอ้าจบแล้วทาไงก็จะได้กลับมาอ่านหน้าใหม่กลับมาอ่านตามเดิมอีกแล้วนะค่อยๆเรียนไปอย่างนี้กลับไปกลับมา บอกว่าบรรดาหาระเหล่านั้นวิจญาหาระเป็นไนคาถาที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ว่ายังปุจฉิวสัจฉิตันจะสุตตะยาจะอนุคีติเป็นต้นเนี่ยบอกว่าการพิจารณาคำถามก็ดีการพิจารณาคำตอบก็ดีเป็นต้นนั้นชื่อว่าวิจญาหาระวิจญาหาระนี้พิจารณาอะไรพิจารณาบทบทในภาษาบาลีมีอยู่สี่นะหนึ่งส่วนครั้งนามบทอาขยาดบท นีบาตบทอุปสรรคบทเนี่ยนะก็พิจารณาปุจฉาปุจฉาก็แบ่งเช่นถามยังไงคาถามนะลักษณะของคำถามก็ถามเพื่อจะตอบเองเป็นต้นเนี่ยนะหรือพิจารณาคำตอบพิจารณาคำหน้ากับคำหลังพิจารณาอัาธะอาทีนวะนิสรณะผลแห่งเทสนาอุบายอานัตและก็อนุขีติการกล่าวที่สมควรเนี่ยนะ และพระสูตรเกประการเนี่ยนะก็คือพิจารณาพระไตรปิฎกนั่นเองเอาหลักการเหล่านี้มาพิจารณาพระไตรปิฎกคือพิจารณาสุตะเคยะเป็นต้นนะนะสุตะเคยะอวยาการณาคาถาอุทานิติวุตกะชาตากะอาภูตธรรมเวทละก็คือคําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์เก้านะเอาหลักเก้าประการมาพิจารณาคําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์เก้าท่านก็ยกตัวอย่างเหมือนที่ท่านพระชิตะ ทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคเจ้าในปรายศนสุด น, นะตรงนี้ก็ยกปุจฉาวิสัชนามาแล้วก็แสดงถึงการวิจัยโดยประการต่างๆให้ดูถามว่าทำไมท่านไม่ยกบทให้ดูอ่ะก็คือเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องบทสมัยก่อนเนี่ยนะก็เขาเป็นคนคนอินเดียอยู่แล้วว่เหมือนกับคําำของภาษาไทยเราไม่ได้มีปัญหาอะไรต้องมาที่ใบไหมเออเนี่ย น, นี่เรื่องนหนึ่งคำนะอย่างเงี้ยไม่ต้องอ น, นะก็ถือว่ารู้กันเนี่ยนะ คำถามที่พระชิตะยกมาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าในปรายณวัครเนี่ยนะหรือปรายณสูตรปรายนาเนี่ยแปลว่าธรรมะที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การถึงฝั่งโน้นแห่งชราและมรณะ น, นะปรายนาเนี่ยก็หมายถึงฝั่งอ่นนะนะธรรมะที่เกื้อกูลต่อการไปถึงฝั่งโน้นฝั่งโน้นในที่นี้คืออะไรฝั่งคือพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยเป็นฝั่งคือที่สุดแห่งชราและมรณะ ถ้ายังอยู่ฝั่งนี้นะก็ยังมีชราและมรณะถ้าข้ามไปถึงฝั่งโน้นก็ไม่มีชราและมรณะคาว่าฝั่งนี้เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของส ก, กายะส ก, กายะส ก, กายะเป็นชื่อของอุปาทานขันห้าอีกครั้งหนึ่งอุปาทานขันห้าก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าฝั่งนี้มีภัยอยู่รอบด้านปารายณะสูตรเป็นสูตรที่นาออกไปจากฝั่งนี้เพื่อถึง ฝั่งโน้นเนี่ยนะเพื่อถึงฝั่งโน้นมันท่านชื่นชมว่าโอ้หผู้ที่พิจารณาหรือเอาคําถามคําตอบมาพิจารณาแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำรรก็ข้ามถึงฝั่งแห่งชราและมรณะได้อันนั้นในปารายณะสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่ดีมากนะอยู่เล่ม67นะที่แบบพิสดาร น, นะภาษารีบุตรเอามานิเทศเป็นสูตรที่สอนบุคคลกลุ่มอุคติตันอยูเนี่ยนะกลุ่มที่ต้องการบรรลุนิพพานจริงๆเลยนะ เกวตเดินทางเนี่ยเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรเนี่ยเพื่อจะไปถามปัญหาปัญหาที่เขาถามเนี่ยบอกช่วยให้เขาบรรลุเร็วๆหน่อยเถอะเป็นคำพูดประเภทนี้ซะส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาอยากบรรลุกันอย่างแรงกล้ามันเป็นคำถามของพระอระหรรันตนะ์รุ่นแรกๆเลยเนี่ยนะรุ่นแรกเอ่อรุ่นแรกๆนะคือหมายาว่าสมัยแรกแตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยในแรกแตรัสรู้นะพันษาหนึ่งอ่ะพาหนึ่งอ่ะจะมีเหตุการณ์อะไรเยอะอันกลมเนี่ย อาชิตะมานพเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของพ ร, รพรามภาวรีเนี่ยนะพราม์ภาวรีเนี่ยมีลูกศิษย์ผู้ใหญ่อยู่สิบหกท่านแล้วลูกศิษย์แต่ละท่านมีบริวารคนละหนึ่งพันเนี่ยนะดังนท่านเหล่านั้นเนี่ยก็มาถามปัญหาทีนี้คําถามนี้ก็ถามถามตอบแบบสั้นๆแต่เขาฟังและเขาบรรลุทีนี้พระสาวกที่มีปัญญามากอย่างพระสารีบุตรก็เอามานิเทศเอาทุกคําเลยอะ่ะ ที่ท่านทพระชิตะเป็นต้นถามกับที่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าตอบมาขยายทุกคำคาพีนั้นเรียกว่านิเทศทีนี้พระมหากาจัยนะท่านก็เอามาเข้าหลักวิจัยหาระของท่านเนี่ยนะเอามาวิจัยหาระซึ่งในอชิตะมานพปัญหานี้เป็นคำถามอยู่สี่คำถามใหญ่ๆด้วยกันเนี่ยนะสี่คำถามใหญ่ ซึ่งคําถามแรกก็บอกว่าพูดถึงถามถึงวัตถุคือที่ตั้งแห่งโลกเขาเรียกว่าเอาโลกเนี่ยเรื่องโลกเนี่ยมามาคิดโดยรอบด้านว่าสัตว์โลกเนี่ยถูกอะไรหุ้มห่อไว้สัตว์โลกนี่ย่อมไม่ปรากฏเพราะทําอะไรพระองค์กล่าวอะไรว่าเป็นเครื่องฉาบทาสัตว์โลกนั้นอะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนั้น น, นะปกตินะคําว่าโลกเฉยๆเนี่ยมีอยู่สามสามในใช่หมหนึ่งสัตว์โลกสอง โอกาสโลกสสังขารโลกถ้าพูดถึงโอกาสโลกก็คือภาชนะโลกนะแปลว่าที่อยู่ของสัตว์ตวัโลกสัตว์ตวัโลกถ้าแยกแยะออกไปจริงๆก็คือสังขารโลกเพราะสัตว์โดยประมัดไม่มีอยู่จริงใช่ไหมแต่ว่าความที่สังขารประชุมกันเมื่อไหร่ขันห้าประชุมกันที่ไหนเรียกว่าเรียกว่าสัตกเนี่ยนะ ทีนี้เมื่อขันห้าประชุมกันแบบนี้ที่เรียกว่าสัตว์นนะก็เรียกว่าเพราะอะไรเพราะเขามีอินทรีย์อ่อนมีอินทรีย์แก่กล้ามีอาการดีมีอากา ร, าการเลวสอนง่ายสอนอยากเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะอันเนี้ยเรียกว่าประกาศถึงความเป็นสัตว์วัโลกของเขาแต่ถ้าไม่แยกแยะวิเคราะห์ไปแล้วก็มีแต่สังขาระโลกเนี่ยนะเพราะสัตว์วัโลกเป็นบัญญัติที่อาศัยประมัดอีกครั้งหนึ่งเัราสัตว์นี้เป็น บัญยัตใช่ไหมเป็นบรรยัตที่อาศัยอุปาทานขันห้าทีนี้สัตว์หรือที่อาศัยอุปาทานขันห้าเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ใดแยกสัตว์ออกจากขันห้าได้โดยเด็ดขาดใช่ไหมก็เรียนมิลินท้ปัญหามาใช่ไหมบอกพระคุณเจ้าชื่ออะไรบอกชื่อน้ากเกษตอะไรเป็นหน้ากเกษตนีผมจะไม่เป็นน้ากเกษตไม่ใช่ ก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยจนทั่วสรีระหมดเอางั้นทั้งก็มูสาสิเขาบอกว่าเอามหาประพิธมาด้วยอะไรมาด้วยรถอะไรเป็นรถนะก็ไอการประชุมกันของขององค์ประกอบจึงเรียกว่ารถใช่ไหมก็ขันห้ามาประชุมกันเลยเรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยนะทีนี้คําว่าคนว่าสัตว์เนี่ยจะได้ไม่ซ้ําคนอื่นก็เรียกแล้วเอาคนนี้นายนางนา ง, นางสาวอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะก็เป็นการมาบัญญัติ เนีะซึ่งมันก็ทั้งทุกคนมันก็สัตว์แต่ว่าโลกกันแหละแต่ว่าจะได้ไม่ปนกันไงก็บอกว่าคนพม่าเนี่ยชื่อมันซ้ํากันเยอะนามสกุลก็ไม่มีระวังกันก็บอกเอาถ้าจะเราจะรู้จักว่าเขาเป็นใครเขาทำยังไงก็บอกว่าให้ไปดูว่าพ่อแม่เขาชื่อยังไงเอาถ้าพ่อแม่ชื่อซ้ํากันอีกก็ไปดูปู่เาแล้วเขาไม่มีนามสกุลระว่างกันนะมากันึกว่าโอ้โหพม่านี่ไม่ง่ายเลยนะคบัญญัตินี้ไม่ใช่ว่า จะเสียหายไปสมหมดใช่ไหมมันช่วยให้ง่ายต่อง่ายเยอะเนี่ยนะแต่ถ้าไม่มีบัญญัติรองรับเลยนะโอ้โหเรียกไม่รู้จะคุยกันยังไงเนี่ยนะตัวนี้ครั้งว่าคำว่าสัตว์วโลกเนี่ยเป็นที่รวมของสังขารโลกใช่เพราะฉะนั้นสัตว์โดยปรมัติไม่มีอยู่จริงก็คือขันห้ารวมกันเลยเรียกว่าสัตว์ทีนี้ในในที่เรียกว่าสัตว์โลกหรือสังขารโลกอะไรมันห่อเอาไว้อะ พระองศ์ก็ตอบว่าสัตว์โลกอันาวิชานี่หุ้มห่อไว้สัตว์โลกเนี่ยไม่ปรากฏเพราะความสงสัยเพราะความประมาทเรากล่าวตันหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกแล้วก็ทุกเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนั้นทีนี้ลองมาปุตชาวิจัยดูนะวิจัยคําถามวิจัยคําถามที่บอกว่าสัตว์โลกอะไรหุ้มห่อไว้โลกไม่ปรากฏเพราะอะไรพระองค์กล่าวอะไรว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกเนี่ย สประโยคเหล่านี้เป็นคําถามอัดที่ถูกถามด้วยสประโยคนั้นเป็นปัญหาอันหนึ่งนะเป็นปัญหาเดียวนะเอาถามว่าทำไมจึงเป็นปัญหาเดียวเพราะกําหนดเอาวัตถุที่ตั้งคือโลกอันหนึ่งก็เอาแต่โลกมาอย่างเดียวนะเป็นการถามรอบโลกว่างั้นเถอะนะรอบโลกไม่ใช่โลกแบบเรานะคือโลกแบบธรรมะโลกในทางธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่าบัญญัติลงที่ไหนกายยาววานาคืบกว้างศอกมีสัญญามีใจครองเนี่ยนะ อันนี้คือโลกในใ น, ในธรรมะของเรานะเป็นโลกอันนั้นมันเป็นคำถามเรียกว่ารอบโลกเอาโลกมาตั้งแล้วก็ถามรอบเลยเพราะฉะนั้นท่านตั้งคำถามว่าถามถึงที่ตั้งของโลกด้วยคำว่าสัตว์โลกเนี่ยถูกอะไรหุ้มห่อไว้อะไรนะหุ้มปกปิดปิดบังปกคลุมโลกอันนี้เอาไว้เนี่ยนะอันนี้คำถามแรกใช่มคำถามที่สองบอกว่าถามถึงการไม่ปรากฏแห่งโลกว่าโลกเนี่ยทาไมจึงไม่ปรากฏ ทำไมมันถูกปกปิดได้ยังไงคำว่าไม่ปรากฏก็คือไม่สว่างไม่รุ่งเรืองไม่แจ่มแจ้งไม่ภัยโรธไม่แจ็มไม่กระจ่างอะไรเงี้นเถอะมืดคลุมไปหมดนะเนสลัวสลัวเขบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเครื่องบินลงที่เชียงใหม่ไม่ได้ข้ออะไบอกหมอกมันลงมากหมอกก็คือควันนะเนควันมันท่วมมากลงไม่ได้โลกเนี่ยมันมันไม่ปรากฏมันสลัวสลัวแบบนี้แหละเหมือนสว่างแต่ก็ไม่ใช่อ่ะถ้าใครสว่างนะเขบอกใครสว่างนี่บอกมองเห็นอริยศาสตร์ไหม ถ้ายังไม่เห็นก็ยังสลัวสลัวกันหมดนะนี่ยดีว่าแสงอาทิตย์เนี่ยกลางวันเนี่ยแสงอาทิตย์แรงใช่ไหมก็เลยมองเห็นสีเท่านั้นเองคําถามที่สมบอกว่าถามถึงการฉาบทาโลกที่บอกว่าโลกนี่อะไรเป็นเครื่องสัตว์โลกนะมีอะไรเป็นเครื่องฉาบทาคําว่าฉาบทาก็คือเครื่องข้องเครื่องผูกเครื่องเศร้าหมองก็ถามไปอีกว่าถามถึงภัยใหญ่ของโลก ด้วยคำว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกศัตว์ว่าโลกก่อนนะโลกในที่นี้ถึงหมายถึงสัตว์วะโลกจริงๆแล้วถ้าแปลตามอัตถกถามีอยู่สองในตรงนี้เขาเอาในที่สองมาแปลอัตถกาถาให้ความหมายของคำว่าโลกไว้สองในคือโลกนะสาคำเนี่ยนะกิเลสโลกภาวะโลกอินทรีโลกในที่หนึ่งเลยนะกิเลสโลกหมายถึงการมาวจรสัตว์ที่มากไปด้วยกิเลสมีราคาเป็นต้น คำว่ากิเลสโลกหมายถึงการมาวจรภาวะโลกหมายถึงรูปาวจรสัตว์ที่มีอภิญญาส่วนอินทรียโลกหมายถึงอรูปาวจรสัตว์เนี่ยนะที่มากไปด้วยอเนชชาสมาธิอันนี้ไหนที่หนึ่งนในที่หนึ่งคือคำว่าโลกหมายถึงกามาวจรูปาวจรอรูปาวจรนั่นเองในในหนึ่งอีกในหนึ่งบอกว่ากิเลสโลกหมายถึงอบายสัตว์เนี่ยนะอบายสัตว์ ภาวะโลกหมายถึงสัมปติภพเนี่ยนะสัมปติภพหรื อ, อสุขติภพนั่นเองส่วนอินทรียโลกก็หมายถึงผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์มีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาที่มีคุณธรรมจนสามารถทำให้ถึงวิมุตตินั่นเองนะก็คือกลุ่มผู้ที่จะปฏิบัติถึงความพ้นทุกข์นะ มันก็แต่สรุปโดยใจความก็คือสัตว์ไม่มีเหลือแม้แต่หน่อยเดียวทุกสัต์พสัตว์นั่นเองสัตว์ทุกชนิดน่ะนะกามาวจรูรปาวจรอรูปาวจรหรือว่าสัตว์ในอบายสัตว์ในสุขติหรือว่าผู้มี อ, อินทรีย์อ่อนผู้มีอินทรีย์แก่กล้าผู้มีอาการดีผู้มีอาการชั่วผู้สอนให้รู้ง่ายสอนให้รู้ยากเป็นพภะอภภะเป็นต้นนั่นคำเหล่านี้อมหมดเลยนั้นก็รวมทั้งเราอยู่ด้วยนะคำว่าโลกในที่นี้นะรวมทังเรา หรือเราไม่ถูกอวิชาห่อไว้ไหมนะถ้าไม่ถูกก็ไม่ใช่เราอยู่ด้วยแต่ถ้ามีอวิชาห่อด้วยก็แสดงว่าใช่ล่ะนั้นพระองค์จึงตอบว่าอาวิชานี้หุมห่อสัตว์โลกไว้สัตว์โลกไม่ปรากฏเพราะความสงสัยเพราะความประมาทตันหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกทีนี้มาดูาวิสัชนาวิจัยเนี่ยนะวิจัยคำตอบเนี่ยนะวิจัยวิสัชนาว่า สี่ประโยคเหล่านี้ที่ท่านกล่าวไว้ในคาถาปุชชาท่านวิสัชนาแล้วด้วยสประโยคเหล่านี้ น, นะคือถามสี่สี่ถามตอบก็สคําถาม น, นะคำถามที่1ก็ตอบด้วยคําตอบที่1คําถามที่2ก็ตอบด้วยคําตอบที่สองที่สามที่สี่ก็ในยะเดียวกันนี่ก็มาค่อยๆไล่ทีละคําตอบไปที่ท่านพระชิตะมานพเนี่ยถามว่าสัตว์โลกถูกอะไรหุ้มห่อไว้พระองค์ตอบว่าสัตว์โลกนี้ถูกอวิชานี่หุ้มห่อไว้ อธิบายว่าอาวิชานิพุโตโลโกเนี่ยนะสัตว์โลกถูกอวิชาหุ้มห่อไว้สัตว์โลกถูกนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยหุ้มห่อไว้จริงอย่างนั้นสัตว์ทั้งปวงมีอวิชาหุ้มห่อไว้สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเรากล่าวธรรมะอย่างหนึ่งคืออวิชาว่าเป็นเครื่องหุ้มห่อสัตว์ที่ติดอยู่ในอารมณ์ทั้งปวง สัตผู้มีลมปราณทั้งปวงสัตว์ผู้เติบโตแล้วและกําลังเติบโตทั้งปวงเพราะเป็นเหตุแห่งการมาฉันทานิวรณ์เป็นต้นคือเราจะรู้ว่าสัตว์เนี่ยนะถูกอวิชชาหุ้มห่อเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าสัตว์ทุกคนเนี่ยถูกอวิชชาหุ้มหอดูได้จากอะไรก็บอกว่าดูได้จากนิวรณ์นะดูได้จากนิวรณ์ว่าเขาทุกคนถูกนิวรณ์กลุ่มรุมกันนะ ถูกราคาถูกกิเลสคือการมาฉันทานิวรกลุ่มรุมถูกพยาบาทนิวรกลุ่มรุมถูกถีนมิท่านิวรกลุ่มรวมอุทธจักกุกุจานิวรกลุ่มรุมถูกวิจิกิจชานิวรกลุ่มรุมที่นิวรณ์เากลุ่มรุมแบบนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะอวิชชาใช่ไหมอวิชชานี่ถือว่าเป็นมูลแห่งนิวรมีนิวรตัวไหนมั่งไม่มีอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยมีไหม ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ดูได้จากนิวรนนั่นเองเขาถูกนิวรกลุ่มรวมกันเพราะฉะนั้นเมื่อถูกนิวรกลุ่มรวมเนี่ยนั่นแหละบอกว่าเขามีอวิชากลุ่มรุมแต่ที่อื่นนะถ้าอย่างในสังยุตตานิกายอนมัมตะคะสังยุตในนิฐานอวรคเนี่ยพูดอะไรบอกว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกลางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดคําว่าอาวิชากางกัน้นตรงนั้นแปลว่าอาวิชานิวรนอวิชานิวรน อันนันตันหาเครื่องร้อยรัดร้อยรัตตัวนั้นมาจากสังโยชน์เนี่ยนะมีตันหาเป็นสังโยชน์มียวิชาเป็นนิวร์เนี่ยกางกั้นเขาตลอดเมื่อกางกั้นอยู่อย่างนี้ถามว่าอะไรสังสารวัตสิเพราะหัวเรือมใหญ่มากไหมหัวหัวของวัตตะมันใหญ่คื อ, อวิชากับนิวร์เนี่ยมันใหญ่เพราะฉะนั้นวัตตะมันเลยไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะก็ไปยาวเลย แท้จริงสัตว์ทั้งปวงนี่นะมีอวิชาเป็นเครื่องอห่อหุ้มพิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่านิวนย่อมไม่มีแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะการดับเพราะการสลัดเพราะการสลัดอวิชาโดยประการทั้งปวงคือถ้าละอวิชาได้เท่ากับละนิวรได้ถ้ายัางละอวิชาไม่ได้ก็ยังละนิวรไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่า สับโลกเนี่ยถูกอวิชาหุ้มห่อไว้เนี่ยก็เป็นการปุจช า, าขอไปวิสัชนาวิจัยเนี่ยนะคือการวิจัยคำคาตอบพอทบทวนได้นว่าอาวิชาเนี่ยเป็นอาหารหรือเป็นปัจจัยอย่างดีของนิวรณ์เนี่ยนะโดยเฉพาะเหี้ถูปัจจัยเนี่ยแล้วก็อวิชาเนี่ยถามว่าอาวิชาเนี่ยเกิดเพราะอะไร อะไรเกิดอวิชชาจึงเกิดเพราะอาสะวะเกิดอวิชชาจึงเกิดอาสะวะก็คื อ, อนิวรณ์นั่นแหละก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเอ็กิเลธทั้งหลายนะมันมันเป็นปัจจัยแก่กันและกันอกุศลเป็นปัจจัยแก่อากุศลเนี่ยนะทั้งโดยสัมปยุตตปัจจัยทั้งโดยอนยันตระปัจจัยทั้งโดยอุปนิ ส, สยัยปัจจัยเนี่ยนะพวกนี้ทั้งโดยอารมณปัจจัยด้วยมันเป็นปัจจัยแก่กันทั้งสี่ชาตินะเป็นอย่างน้อยเนี่ย นะตัวใ น, นครั้งนะสหาชาติตชาติอนันตชาติอุปนิสยาชาติและอารัมณชาติเนี่ยนะพวกนี้นเป็นปัจจัยแก่ บ, บาปแก่อกุสนกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอวิชชาคืออะไรก็คือวิชาวิชานี้รู้อะไรรู้อริยสัจรู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธข า, ามิมีปฏิปทา อันนี้รู้แบบพระสูตรนะเนี่ยถ้าเพิ่มอีกหน่อยก็วิชาก็รู้อดีตอย่างปุเพนิวาสานุสติยานรู้อดีตใช่ไหมอนาคตตังสยานรู้อนาคตถ้ามีทั้งปุเพนิวาสยานทั้งอนาคตตังสยามก็เรียกว่ารู้ทั้งอดีตและอนาคตแล้วก็มีปัญญารู้ปฏิจจสมุปบาทรู้ปัจจัยและปัจจยุบันที่สัมพันธ์กันโดยความเป็นเหตุเป็นผลพวกนี้เป็นวิชา ถ้าเราเอาวิชามาจับอย่างนี้นะจึงจะเห็นชัดว่าเรามีอวิชาอะนะเรามองเห็นอะไรเนี่ยทั้งทวารตาเนี่ยมองเห็นอริยสัตว์ไหมก่อนตั้งคําถามแบบนี้นะมองเห็นอริยสัตว์ไหมได้ยินอริยสัตว์อยู่ไหมว่าเออนี้ทุกนี้สมุทยัยนี้นี้โรดนี้นีโรทคาไม่มีปฏิปทานะเราเห็นแบบนั้นไหมถ้าไม่เห็นทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าอาวิชาเนี่ยนะอย่างลืมตาเนี่ยนะเราก็มีแต่ตาเห็นสีอแต่ไม่เห็น อะไรไม่เห็นอริยสัจใช่ไหมมองเห็นนะรูปรูปสมุทยัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามมินีปฏิปทานนี่เห็นอย่างนั้นไหมเราก็เห็นแบบสีของผมใช่ไหแต่เกษาเกษาสมุทยัยเกษานิโรธเกษานิโรธคามมินีปฏิปทาแทบไม่เคยเอามาคิดเลยอ่ะอันนั้นประกาศถึงความมีอวิชชาอย่างแท้จริงเนี่ยนะก็อวิชชาเขาเรียกว่ามันห่อจนไม่รู้ว่าตัวเองถูกห่อด้วยเอาดิมันขนาดนั้นอ่ะก็เหมือนอะไรเหมือนกับพระ อ, องค์อุปมาว่าอ ไข่ะนะที่ลูกไก่มันอยู่ข้างในกระปาะไขอ่อะนะกระปาะไข่เนี่ยถ้าลูกไก่ตัวไหนมันจิกออกมาก่อนตัวนั้นเรียกว่าถึงความนับว่าเป็นเป็นพี่ฉันใดพระองค์ก็เหมือนกันพระองค์เนี่ยออกจากสิ่งที่ห่อหุ้มคือกระปาะฟองแห่งอวิชชานี่หุ้มเอาไวอ้อะนะพระองค์ก็นับว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกในขณะเดียวกันก็ไปช่วยช่วยคนอื่นให้ออกจากกระปาะฟองอันนี้ด้วยเห็นไ ก็ช่วยให้เห็นอริยสัต์นั่นเองมันพระองค์ก็เที่ยวประกาศรอริยสัตว์ให้สัตว์ทั้งหลายนี่ออกจากอาวิชชานั่นเองเนี่ยนะอันถ้าจะมีวิชาบ้างก็เนี่ยพยายามเอาเรื่อขออภัยถ้าจะละอวิชชาได้บ้างก็ต้องเอาวิชาเนี่ยมาคิดให้บ่อยๆถ้าไม่เอาวิชามาคิดให้บ่อยๆเนี่ยโอ้โหสนิทเลยอ่ะเนี่ยนะอะไรสนิทบอดสนิทเลยอันนั้นก็หวังว่าไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหย ก็เอาอริยสัจมาคิดบ่อยๆนะว่าจะรู้ว่าสมมติทนะ่าวันหนึ่งอะเราคิดอริยสัจสักสามครั้งนะีสมมติถ้าคิดอริยสัจสาครั้งอนะเวลาที่เหลือถูกอวิชชาห่อหมดเลยเนี่ยนะนะก็เอาอริยสัจมาคิดบ่อยๆนะจะได้ไม่ไม่ถูกอวิชชาหอ่อเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเห็นใครก็นี้ทุกนะให้เห็นจริงๆเถอแต่มันไม่ได้วันนี้สุขนะเนี่ยนะนะนะเออดีนะแหมไม่เจอกันตั้งนานอะไรก่อนนี้สุกอนะ แต่ถ้าเห็นจริงๆบอกนี means, ้ท ik oh. ุกข ok, <laughs> ์ก <laughs> in ็ถ่าอย่างนี้ก็เข้าเขาละนี่นะคิดถึงมนาสิการตัวเองภายในก็บอกเออนี้ทุกข์นะมรสิการภายนอกก็เออนี้ทุกข์เอานั่นทุกข์นั่นนะในนี้ทุกข์นะเออนั่นทุกข์อย่างนี้นี่ทุกข์อันนั้นก็ทุกข์ความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อันนั้ก็ออกมาคิดต่อเลยใช่ไหมไอ้ความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ทวนอีกครั้งเขาว่าไงนะเพลิดเพลินในในสีเป็นเหตุให้มี ตาเพลิดเพลินในเสียงทําให้มีหูเพลิดเพลินในกลิ่นเป็นเหตุให้มีจมูกเพลิดเพลินในลิ้นเออในรสเนาะทําให้มีลิ้นเพลิดเพลินในโพธาภะทําให้มีกายชอบที่จะคิดต่อไปก็ทําให้มีมีใจเนี่ยนะบอกเออเนี่ยความเพลิดเพลินเนี่ยแหละคือเหตุแห่งแห่งทุกข์นะเนียตัวทุกข์มันก็มันก็ทุกข์นะทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์ขังนะทุกข์ทุกข์แปลว่าไม่ดีขังแปลว่า ว่างเปล่าซ้อนกอไก่ขึ้นมาก็เป็นทุกเนี่ยนะทุกขังนีสับเต็มเขาเรียกทุกขังอีทางทุกขังอริยศาสตร์จังเนี่ยทุกขังก็คือทุบวกขังทุไม่ดีขังว่างเปล่าใช่ไหมไอ้ไม่ดีก็ไม่ดีอย่างที่เราเนี่ยเลี้ยงบ ร, บริหารกายเนี่ยดีขนาดไหนอะก็ดูแล้วขังเนี่ยว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนและความงามที่ที่แท้จริงอยู่ด้วยเพะนั้นก็เรียกว่าว่างเปล่าแต่ก็ขนาดมันไม่ดีขนาดนี้เราก็ชอบใช่ไหม เอาเนี่ยใครก็รู้ว่าอาหารมันปฏิกูลใช่ไหยอร่อยไหมนั่นน่ะน่นน่ะันเอาไงกันแน่เนะของเราเนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเนะเอาก็บอกตอนรู้กับตอนหนึ่งตอนอร่อยก็อีกตอนหนึ่งบางทีมันก็สลับกันบ้างอร่อยบ้างรู้บ้างแต่ว่าโดยมากอร่อยมากกว่ารู้อนไหก็บอกว่าคือนี่วอเนี่ยมันปิดเอาไว้มันมันหุ้มให้ให้อวิชาเนี่ยมัน ปกปิดต่อไปเนี่ยสมมติว่าตันหามาเคลือบเท่าไหร่นะอวิชามันก็ทาปกปิดได้เท่านั้น